ขอนอบนอมพระรัตนตรัยขออากาศหลวงพ่อกรมพระชายทรงศิลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปเพื่อสธรรมิสุขท่านเจริญในธรรมแมขีแลวก็ยติธรรมทุกคนก็วันนี้เนะมื่อ 2,600 ปีพระพุทธเจ้าขณะที่ยังเป็น สิทธะดาบทที่บำเพ็ญทุกรั ก, กิริยาท่านก็คงได้ยินบทเพลงจากเสียงพินที่บรรเลงเพลงที่ย่อหย่อนเนื่องจากสายพินที่มันมันหย่อนเสียงพินก็ไม่เพระะละนะลท่านก็ได้ยินเสียงพินที่บรรเลงจากเพลง จากสายพินที่ตึงเกินไปมันขาดมันแข็งมันก็กระด้างไม่ไพเราะเหมือนกันสุดท้ายท่านก็ระลึกได้ว่าพินทั้งสองรูปแบบนะที่ตึงบ้างที่ย่อนบ้างมันยังไม่ใช่ทางสายกลางหรือว่ายัางไม่สามารถบรรเลงให้ไพเราะได้ <c oughs> ครั้งที่สามท่านถึงได้ยิน นักดนตรีคนเดียวกันนั่นแหละที่บรรเลงเพลงพินที่ปรับสายพินให้พอดีพินก็บรรเลงเพลงได้เพลเาพอพิงทั้งทั้งที่ผู้บรรเลงพินก็คนเดียวกันนั่นแหละตัวพินก็ลำเดียวกันนั่นแหละนะแต่ถ้าตึงสายให้หย่อนบ้างตึงสายให้ เข่งเกินไปบ้างหรือถ้าตึงสายให้พอดีเสียงก็ไพเราะแตกต่างกันไปหรือว่าไม่เพเระเลยท่านก็ได้คิดเช่นนั้นเนาะได้คิดเช่นนั้นท่านก็ระลึกถึงการปฏิบัติของตัวท่านเองที่บางคราวก็หลงไปกับความสุขนะกับทางโลกบางคราวก็เอาจิงออกจังทรมานตน ให้ลาบากอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจหวังว่าจะทำทุกข์ให้ถึงที่สุดแล้วมาจะออกจากความทุกข์หรือบางคราวก็คิดว่าขอเสพสุขให้สุขสุดยอดนะมันจะได้สุขนิรันดรสุขตลอดกาลแต่ทำมานานหลายปีหรืออาจจะได้พบไายชาติแล้วก็ยังไม่ใช่ถึงที่สุด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่แค่การการทํากายให้ลาบากหรือการทํากายให้เสีกับความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะย้อนกลับมาถึงเรื่องการวางใจว่าใจเราติดกับความสุขไหมว่า ม, มีความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิจากอุเบกขาจิตมันมีความสุขติดอยู่ตรงนั้นไหม หรือเมื่อจิตมันมีความทุกข์มันมีความฟุ้งซ่านมีความไม่สบายใจจิตมันติดตรงนั้นไหมนะเราบังคับจิตเราไว้ไหมนะหรือว่าเราจมกับความสุขที่มันเกิดขึ้นกับจิตตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบ เพราะว่ารูปแบบภายนอกบางทีเราก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่ารูปแบบตรงนั้นคือทางสุดตรงหรือว่าเป็นทางที่ย่อย่อนไปด้านใดด้านหนึ่งนะแต่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการวางใจถ้าเราวางใจไว้ผิดแล้วแม้รูปแบบภายนอกจะดูเหมือนสํารวมระวงังดูเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านสอน แต่ถ้าเราวางใจไว้ผิดเช่นเอาจริงเอาจังเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ผ่อนคลายกับตนเองเลยก็ จ, จะเป็นการผิดทางก็ได้แต่ถ้าเราบางทีเราอาจจะปฏิบัติไปแต่เราอาจจะเพลิดเพลินกับความคิดเพลิดเพลินกับอารมณ์เพลิดเพลินกับการปรุงแต่งอดีตอนาคตบ้างหรือว่าจมกับความสุขในปัจจุบันบ้าง แม้จะเดินได้นานแม้จะปฏิบัติได้นานนะแต่บางทีเราก็จมกับอารมณ์ก็อาจจะไม่ใช่ทางสายกลางที่พระเจ้าท่านสอนก็ได้แต่ทางสายกลางมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ระว่างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาไม่ใช่อยู่ตำแหน่งที่ตรงกลางแต่ทางสายกลางมันอยู่ที่การเรายืนเหนืออารมณ์สุขอยู่เหนืออารมณ์ทุกข์ได้ ถ้าจิตของเราอยู่เหนืออารมณ์สุขอยู่เหนืออารมณ์ทุกเป็นเพียงแค่ผู้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายบ้างปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตบ้างโดยเราไม่เข้าไปเป็นอันนั้นคือการเดินทางสายกลางนะขนาดจิตตอนไหนที่เรารู้สึกตัวมันจะถอนออกมาจากอารมณ์ถอนออกจากความคิดนะถอนจากการปรุงแต่ง ถ้าจะเห็นกายก็เพิยงเห็นสักแต่ว่ากายกายมันอยู่ต่างหากจิตมันอยู่ต่างหากตัวรู้มีหน้าที่เพียงแค่รู้อยู่ต่างหากไม่ได้เข้าไปรู้แบบจดจอจดจ้องเพียงแค่เขาเ ล, ล, ลืกลรู้ได้ของเขาเองเพราะกายเขาทํางานจิตก็ทําหน้าที่ในการเห็นเมื่อจิตมีสิ่งใดเข้ามาปรากฏขึ้นกับจิต ก็มีตัวรู้เข้าไปเห็นอีกทีหนึ่งอันนี้คือทางสายกลางพระพุทธองค์ท่านค้นพบทางสายกลางตรงนี้นะมันเป็นทางที่คนส่วนใหญ่นะมองข้ามหรือคนส่วนใหญ่มกักไปติดฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างติดในฝั่งที่ย่อหย่อนบ้างติดในฝั่งที่เคร่งเครียดจริงจังตึงเกินไปบ้างพวกเราก็เมื่อได้หยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ขอให้พวกเราได้กลับมาทบทวนเรื่องราวของเราเองในการใช้ชีวิตก็ดีในการปฏิบัติธรรมก็ดีเราเดินตามทางสายกลางหรือไม่หรือว่าเราจริงจังเคร่งเครียดเป็นอัตถากินนิมพานโยคหรือเราย่อหย่อนตามใจกิเลสเป็นสุขากินนิพพานโยคนะเราก็ต้องกลับมาทบทวนด้ดยด้วยตัวของเราเองนะ ถ้าเราถือว่าเราเป็นนักบวชก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีนะเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ต้องเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าท่านเดินนำนะแต่บางทีความพอดีนะหรือว่าทางสายกลางแต่ละคนอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องเหมือนโรงงานที่ผลิต สิ่งของเราออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนกั น, นาการเดินทางของแต่ละคนอาจจะมีเส้นทางของแต่ละคนแตกต่างกันไปนาบางคนเขาสามารถเดินจงกรมได้2 3 4สาหชั่วโมงไม่ได้ทรมานกายเพราะว่าจิตใจมีสมาธิหล่อเลี้ยงมีสติต่อเนื่องไปเรื่อยอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทรมา น, นาหรือบางคนสามารถนั่งได้เป็นสองสามชั่วโมง ยกมือบ้างดูลมหายใจบ้างไม่ได้กดข่มความคิดไม่ได้กดข่มหรือบังคับกายให้มันอยากจะเอาชนะความเจ็บปวดอันนั้นเขาก็เดินทางสายกลางนะแต่บางคนอาจจะทำเพราะว่าหวังว่าอยากจะเก่งหวังเพราะว่าอยากจะอวดหวังเพื่อว่าจะเอาชนะนะเอาชนะกีดหรือเอาชนะตนเองให้ได้อันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ทางสายกลางก็ได้ บางคนเขาภาวนานะโดยการดูลมหายใจเขาก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้บางคนอาจจะดูลมหายใจแล้วง่วงนอนจิตใจฟุ้งซ่านเมื่อมายกมือสร้างจังหวะจิตใจมีความรู้สึกตัวเนะมื่อมาเดินจงกรมแล้วมันสดชื่นมันเบิกบานมันผ่อนคลายอันนั้นก็เป็นแนวทางที่แต่ละคนก็ต้องเลือกดูนะเลือกดูว่าจิตของเรา ปฏิบัติวิธีไหนแล้วมันมีความผ่อนคลายสามารถรู้สึกตัวได้บ่อยอหรือแท้ที่จริงแล้วบางทีแต่ละคนแม้จะมีรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถนัดแล้วหรือว่าสามารถปฏิบัติได้สม่ําเสมอแล้วแต่บางคราเอาบางขณะเราก็เจอเราก็เจอว่ามันก็ไม่เที่ยงนะแม้เราจะเคยยกมือสร้างจังหวะได้แบบสม่ําเสมอ แต่บางคราวร่างกายมันอ่อนล้ามันอ่อนเพียบางทีเราก็อาศัยการทำสมาธิให้ให้ร่างกายได้พักผ่อนให้จิตใจได้ควบกับความสงบเพื่อคล้ายๆให้มันสดชื่นขึ้นมาก็ได้นะหรือบางคราวนะกิเลสมันรุนแรงนะทันหาราคะมันโหมกระหน่ำม า, มากเหมือนกับพายุที่ฝนตกอย่างรุนแรง ลมพัดอย่างรุนแรงบางทีเราจะไปตากแดดตากฝนทนอยู่แบบนั้นก็ไม่ไหวก็ต้องหาที่พักในศาลาในที่ร่มก่อนก็เปรียบสเสมือนจิตใจบางขณะกิเลสมันแรงนะอารมณ์มันรุนแรงถ้าเราไม่สามารถมีสติรู้ทันได้แบบตั้งมั่นนะสมาธิมันไม่ตั้งมั่นสติมันไม่สามารถกลับหรือว่า ออกมาจากอารมณ์ได้บางทีก็ต้องอาศัยการหลบนะเกี่กับวิหารธรรมอย่างอื่นนะให้มันอย่างน้อยไม่จมกับอารมณ์นะหรือกลับมาหาสิ่งที่เป็นกุศลในการทำตัว น, นั้นก็ได้นะบางคราวมันง่วงนอนมากๆจะไปทนฝืนนั่งยกมือสร้างจังหวะสะประงกง่วงนอนไปบางคนอินทรีย์แก่กล้าก็อาจจะสู้ได้หรือบางคนอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ ลุกเปลี่ยนขึ้นไปเดินนะลุกเปลี่ยนขึ้นไปกวาดลานวัดบ้างนะแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นเราก็สามารถตามความรู้สึกตัวจากการทาอิยาบทต่างได้อันนี้เป็นเป็นรูปแบบซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่ามาตรฐานในรูปแบบภายนอกของแต่ละคนมันต้องทำแบบไหนนะบางทีเราก็จะไปเรียนแบบครูบาอาจารย์ไปทั้ ง, งหมดนะท่านทาแบบนี้แล้วท่านดีของท่าน แต่เราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองว่าเราทำแบบนี้ต้องเป็นเช่นไรนะเราต้องมาตรวจสอบที่ตัวเราเองถ้าเราตรวจสอบที่ตัวเราเองละเราจะเราจะดูว่าอ้อไอ้แบบนี้มันตึงเกินไปมันเอาจริงเอาจังเกินไปสาหรับตัวของเราเองนะไอ้แบบนี้ถือว่าตามใจกีดหรือว่าย่อนเกินไปนะตามใจปากบ้างตามใจการหลับการนอนบ้างตามใจการ อยากจะพักผ่อนบ้างนะมันตามใจเกินไปถ้าแบบนั้นเออเคี่ยวมันสักหน่อยนะเอาจริงเอาจัิงกันมาสักหน่อยแต่ไม่ใช่หน้าทดำขําเครียดนะ่ะแล้วก็ดูที่ตัวของเราเองแล้วก็ปรับแล้วก็เรียกว่าหย่อนให้มันพอดีนะปรับให้มันตึงบ้างปรับให้มันหย่อนบ้างให้มันพอดีนะสายพินก็จะบันเลงได้ไพเราะการเดินทางในจิตใจของเราก็เหมือนกันเราต้องดูที่ตัวของเราเองว่า จิตใจขณะที่ปฏิบัติธรรมถ้ามันรู้สึกตัวมันจะเรียกว่าเกิดความสงบนะสงบเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความตื่นเบิกบานขึ้นในใจนะมันจะมีใจที่เป็นแบบนี้ในการรู้ตัวแต่บางคราวอาจจะมีความคิดมีความฟุ้งซ่านแต่มันก็จะเห็นว่าความคิดความฟุ้งซ่านเป็นอีกตัวหนึ่งต่างหากมันไม่ใช่ใจเดิมแท้ ที่มีพื้นฐานที่ความสงบที่ความเบิกบานนะมัเป็นเพียงแค่สิ่งที่จอรมาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับเมฆฝนที่มาบาังพระอาทิตย์มาบาังดวงจันทร์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ที่จริงแล้วเมฆฝนมันก็บังเพียงแค่ส่วนที่เราเห็นนะแต่ที่จริงแล้วบางที่บางตําแหน่งของประเทศไทยหรือของโลกใบนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังสว่างแจ่มจ้าอยู่พระจันทร์ก็ยัง คงลอยเด่นนะสวยงามอยู่มันบังแค่ตำแหน่งแห่งที่ที่เราดูเท่านั้นที่จริงเมฆฝนกับพระอาทิตย์หรือพระจารย์มันก็แยกกันแบบนั้นจิตใจเดิมแท้ที่มีความเป็นปกตินะกับความคิดฟุ้งซ่านกับอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นมามันก็มาบาังชั่วข่าวแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะมันเป็นสิ่งที่จรผ่านมาเท่านั้น เพียงแต่เราเปลี่ยนนะเห็นว่าบางทีเราไม่ต้องไปจมว่าทุกสิ่งอย่างมันจะต้องทุกแบบนี้ตลอดไปมันต้องคิดแบบนี้ตลอดไปมันจะต้องมีกิเลสตลอดไปถ้าเรามีสติจะเห็นว่าความทุกข์ก็ดีกิเลสก็ดีนะอะไรต่างๆก็ดีมันเป็นสิ่งที่แค่จรมาชั่วคราวมาบดบังชั่วคราวแต่แท้จริงแล้วเมื่อเรามีสติมันจะออกมาเห็น สภาวะที่เป็นปกตินะหรือว่ารู้สึกตัวอยู่เป็นปกตินะมันจะไม่เข้าไปเอากิเลสมาเป็นตัวเรานะมันจะไม่ไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นของเราไม่ไปยึดว่าอารมณ์นั้นนะคือตัวเรานะแต่มันเห็นว่าอารมณ์มาเกิดขึ้นกับจิตนะอาการเจ็บปวดเมื่อยเกิดขึ้นกับกายนะอาการเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นกับกายกับรูปอาการเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นกับจิตไปบ้างนะ แต่จิตที่แท้แล้วมันไม่ไหวไปไหนนะมันอยู่เป็นปกติถูก ข, ของมันมันเพียงแค่รู้แค่ดูอยู่ต่างหากแต่ก็ไม่ต้องไปจมไปแช่ด้วยนะนะบางทีบางทีเราปฏิบัติบางทีเราอยากจะได้ดีตลอดหรือว่าอยากจะรู้สึกตัวต่อเนื่องตลอดอยากจะได้แต่สิ่งที่ถูกนะปฏิเสธสิ่งที่ผิดนะอยากจะได้แต่อารมณ์ที่เป็นกลางๆเราก็จะเผลอไปประคอง หรือว่าไปพยายามที่จะรักษาสภาวะกลางๆสภาวะที่มันเป็นปกติไว้นะมันก็จะกลายเป็นการถ้าเราสังเกตดีถ้าเราประคองหรือว่าเรารักษาถ้ามันเกิดจากจิตที่เป็นปกติจริงๆมันจะไม่มีความอยากนะไม่ได้ว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปนะหรือว่าอยากจะปฏิเสธความคิดปฏิเสธอารมณ์อื่นนะ ถ้าจิตไม่มีความอยากอันนั้นก็แสดงว่ามันรู้ต่อเนื่องได้ของมันเองหรือว่ามันก็รู้ถูกของมันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเมื่อไรมีความอยากเข้ามาแทรกนิดนึงนะแค่อยากว่าเอออันนี้มันดีจิตมันเป็นปกติดีมันสงบดีนะมันสบายดีอยากได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีความอยากเข้ามาแทรกนิดหนึ่งนะมันจะประคองต่อเนื่องไปนะก็ะเป็นจิตที่เรียกว่าสูญเสียความเป็นกลางแล้วนะ มันเข้าไปติดหรือเข้าไปชอบสภาวะตรงนี้แล้วก็ก็เรียกว่ามันมันปิดทางแล้วนะมันไปติดกับความสุขแล้วนะหรือจิตเราปฏิเสธความคิดนะไปกดข่มอารมณ์ไว้ไม่อยากให้อารมณ์ไม่อยากให้ความคิดเกิดขึ้นก็แสดงว่าจิตเรามีความไม่ชอบใจอารมณ์การปรุงแต่งแล้วเราก็ไปกดเขาไวนะ้ไปข่มเขาไว้นะ มันก็สูญเสียความเป็นกลางละนะอันนี้นเราก็ต้องดูนะขณะที่บางทีเรารู้สึกว่าเรารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องทุกครั้งที่ก้าวเดินทุกครั้งที่ยกมือหรือทุกครั้งที่ทำอะไรจิตมันเป็นการจริงหรือเปล่าหรือว่าเราพยายามรักษาประคองนะพยายามถนอมอย่างแบบเต็มที่นะไม่ใช่ทาแบบสบายสบายทำแบบพอคลายหรือว่าเรามีการข่มน้อ ย, น, อยนะ ตั้งใจมากนะเราก็ต้องดูดูจิตของเราเองด้วยนะในขณะที่เห็นกายมันเคลื่อนไหวก็แต่ถ้าดูมากๆดูบ่อยๆ อ, อาจจะเครียดอีกแล้วนะมันก็มันก็ลําบากนะบางทีบางคนก็คอยพะวงพะวงว่าเราจะทําถูกหรือเปล่าทําผิดหรือเปล่าพะวงว่าเราเพ่งเกินไปหรือเปล่าพะวงว่าเราหย่อนเงินไปหรือเปล่าอันนั้นก็เป็น การกังวลใจเกินไปอีกนะก็ต้องระวังนะคอยเฝ้าดูคอยตรวจสอบตัวเองคอยวิจาร์วิเคราะห์นะคอยกลับมาทบทวนบ่อยๆ ก, ก็อาจจะกลายเป็นวิตกวิจาร์ฟุ้งซ่านไปในธรรมก็มีนะเราก็ต้องดูให้มันพอดีพอดีนะดูให้พอดีแต่ถ้าจิตเราวางสบายๆดูเล่นๆนะบางทีเผลอไปอก็ค่อยรู้ทัน เผยไปแล้วค่อยรู้ทันไม่เผอก็รู้กายไปนะเผอไปก็รู้จิตไปทำแบบนะี้ทีมอาจจะสนุกดีนะไม่ต้องไปเคริงจังเคร่งเครียดมากนะทำแบบเล่นๆแต่รู้บ่อยๆรู้จริงๆนะกายมันเดินมันก็เกิดขึ้นจริงกายมันนั่งตอนนี้มันก็นั่งจริงๆนะบางคนยกมือก็ยกจริงๆนะล้วก็รู้ของจริงที่มันเกิดขึ้นนี่แหละ ไม่ต้องไปคอยจ้องดูว่าเมื่อไดมันจะยกลงเมื่อใ่มันจะยกขึ้นเมื่อร่มันจะกระทบเมื่อไดเท้าจะสัมผัสพื้นเมื่อใ่จะหายใจเข้าเมื่อใ่จะหายใจออกไม่ต้องไปคอยเฝ้าดูอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องไปคอยกาหนดว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรเพียงแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราแค่รู้มันอ้อมันเดินแล้วเนาะมันนั่งแล้วเนาะอันนี้คือรู้แบบสมมติพูดเป็นภาษานะ แต่ที่จริงแล้วสภาวะกายที่มันทําอ่ะพอมันทําแล้วจิตมันรู้ทันทีทําแล้วจิตรู้ทันทีจะทําอะไรก็แล้วแต่จิตมันรู้ทันทีนะเหมือนกับคล้ายๆพอมีคนมาแตะตัวเราเราก็รู้ทันทีนะใช่ไหมเหมือนมีลมกระทบกายมันก็รู้ทันทีไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยนะแล้วก็เดินก็เหมือนกันยกมือก็เหมือนกันให้มันรู้ทันทีตรงนั้นแหละนะโดยไม่ต้องว่าตั้งใจว่าเออ เดี๋ยวรอว่าเมื่อไหร่เท้าจะกระทบพื้นนะรอเมื่อเมื่อใดนะมือมันจะกระทบลงไม่ต้องรอถ้ารอแสดงว่าเราไปตั้งใจรู้ก่อนรู้นะไปเพ่งแล้วนะเราเป็นการตั้งใจรู้ก่อนรู้เนาะให้เรารู้ไกลก็รู้ลงที่ปัจจุบันตรงนั้นนะรู้แบบสบายๆรู้แบบต่อเนื่องไปแล้วก็รู้เป็นเป็นจังหวะนะรู้เป็นจังหวะรู้เป็นครั้งรู้เป็น สิ่งที่กระทบใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม science, ให่ๆนะอย่าไปรู้แบบเหมือนลากภาพให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเราลากเส้นยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะไม่ใช่รู้แบบนั้นแต่เรารู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นขณะเป็นขณะนะเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะบางทีความรู้ใหม่ของเรามันอาจจะไม่สม่ำเสมอนะ สติอาจจะไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ไม่เป็นไรนะรู้เท่าที่มันรู้ได้นะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ให้มันเท่ากันทุกครั้งไปจะให้มันชัดทุกขณะอยากให้จังหวะรู้มันสม่ำเสมอเท่ากันทุกลมหายใจทุกวินาทีอะไรต่างๆมันจะคล้ายๆเรามีความจงใจอยากจะให้มันถูกจะให้มันดีอย่างเดียวละนั้นก็ไม่ใช่นะรู้เท่าที่มันรู้ได้แต่พยายามรู้ให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรา เราจะพึงทําคือพยายามกลับมารู้อยู่บ่อยๆกลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่บ่อยๆนะเมื่อเรากลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่บ่อยๆเมื่อความคิดเมื่ออารมณ์มาแทรกขึ้นมาเราค่อยรู้ทันนะอารมณ์หรือความคิดหรือจิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะนเป็นสิ่งที่เรียกว่าตามรู้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้นะไม่ใช่ไปคอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะคิดนะเมื่อไหร่มันจะมีความโกรธ เห็นคนนี้เดินมาแล้วตั้งท่าแล้วเดี๋ยวเราเคยไม่ชอบเขาอาจจะมีความโกรธหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นไปคอยดูว่าความโกรธจะเกิดขึ้นเมื่อไหรเราจะต ะ, ตะคุบมันทันทีนะเหมือนแมวที่คอยตะคุบหนูไม่ใช่ไปคอยตะคุบความคิดเช่นนั้นนะบางคนเดินไปไปคอยเฝ้านะไปคอยรอว่าเมื่อใดมันจะคิดจะตะปคบมันทันทีนะเมื่อใดมันจะหลง จะรู้าอันทันมันทันทีนะเดี๋ยวไปคอยดูแบบนั้นตอนที่เราคอยตอนนั้นแหละเราถดําไปดูแล้วนะตอนที่เราคอยตอนนั้นเราดื่มตัวละนะเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นเราก็ลงไปกดมันแล้วนะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเราลงไปกดมันแล้วอันเนี้ยมันผิดตั้งแต่ตอนที่คอยคอยจะดูถ้าขณะที่ดูมันก็ไม่ดูอย่างความเป็นกลางเพราะว่ามันดูแบบกดข่มแต่ถ้าเราเดินไปเล่นๆรู้สึกตัวไป เมื่อความคิดมันแทรกเข้ามาเราค่อยรู้ทันเนะมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นสุขใจบ้างนะทุกข์ใจบ้างนะหลงไปดูบ้างหลงไปฟังบ้างนะหลงไปโกรธบ้างมันเกิดขึ้นถ้าเราค่อยรูนะ้รู้แล้วมันหายไปก็ไม่เป็นไรรูไ้ไม่หายก็ไม่เป็นไรก็รนะู้ใหม่ไปเรื่อยรู้แล้วยังเกิดขึ้นอีกอก็ไม่เป็นไรก็รู้ใหม่ ไ, ไปเรื่อย ทุกครั้งที่เรารู้ว่ามันคิดทุกครั้งที่เรารู้ว่ามันหลงอันั้นก็คือของตัวตัวเหมือนกันนะความคิดหรือว่าความหลงอาจจะเกิดขึ้นนะก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้นะเพื่อให้เป็นการเดินปัญญาแต่ถ้าเราเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเอาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านเลยไม่ให้จิตมันมีอารมณ์เลยนะมันก็จะไม่เดินปัญญานะเพราะว่าอะไร มันจะติดกับความสงบนะมันเป็นสมะถะนะมันจะสบายท่าเดียวบางคนถ้าลองสังเกตดูนะเป็นชั่วโมงก็ดีเป็นครึ่งวันก็ดีเป็นวันก็ดีแทบไม่มีความคิดแทบไม่มีอารมณ์บางทีเราต้องตรวจสอบดูว่าเรารู้สึกตัวแบบเป็นธรรมดาจริงหรือเปล่าหรือว่าเราไปทำแบบเครื่ ม, มทาแบบประคองหรือว่ามันจิตมันแข็งกระด้างเกินไปทาให แทบไม่มีอารมณ์นะเราต้องดูนะเพราะว่าที่จริงแท้จริงแล้วอารมณ์มันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะบางทีก็เกิดขึ้นทางตาหูจมูกบ้างมันไหลมันหลงไปบ้างนะแต่เรารู้ทันไหมหรือว่าเราแบบไปจดจอ่อจดจอ้องอยู่กับ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปจนทั้งไม่สนใจอย่างอื่นหรือบาทีเราเดินไปนะอยู่แต่กับตัวเองเพ่งว่าเข้าไว้ข้างในบางทีเสียงข้างนอก เสียงนกร้องเสียงมแมลงร้องฝนตกพำมๆแล้วไม่ได้ยินเลยไม่ได้สนใจเลยแสดงว่ามันอาจจะเป็นการเพ่งเข้าในก็ได้นะบางทีเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นภายนอกเราก็ได้ยินตาที่เห็นรูปเราก็ได้ยินแต่เพียงแต่ว่าได้ยินแล้วก็พอนะไม่ไปปรุงแต่งต่อนะไม่ใช่ว่าไปปิดการรับรู้สิ่งอื่นทั้งหมดไว้นะแล้วก็เพ่งไว้ ข้างในอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะแต่ถ้าไปสนใจแต่ข้างนอกแล้วก็ไม่กลับมาดูใจตัวเองไม่ดูกายตัวเองก็ไม่ถูกเหมือนกันนะไม่ใช่เช่นนั้นดังนั้นทางสายกลางมันก็เป็นทางที่มันดําเนินในระหว่างทางที่หลงทั้งสองด้านทางที่สุดโตงในทางบังคับบ้างทางที่สุดโตงในการตามความคิดตามกิเลสนะบ้างนะ แ, แรกๆการเดินทางสายกลางมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินได้กลางตลอดนะมันก็พัดมันก็หลงมันก็เผลอไปกับทางฝุดนโปรงบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปเขร่งคัดเขร่งเครียดว่าเราจะต้องเดินกลางตลอดนะไม่ใช่นะเพราะทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราเผลอไปนะเมื่อนั้นใจมันกลับมาเป็นกลางแล้วนะมันไม่เป็นไรนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปเผลอนานนะทุกครั้งที่เรามีสติมันจะกลับมา ทุกครั้งที่เราลงไปคิดมีสติแล้วจะกลับมาคือความที่เรารู้ว่าเราเผลอไปกับทางผิดตรงตอนไหนนี่นแหละมันมีสติที่เป็นกางจริงจริงนะหรือขณะที่เรารู้ตัวนะรู้ตัวแบบรู้จริงๆนะเห็นกายก็เห็นไปแค่กายจริงๆนะไม่เข้าไปแช่ไม่เข้าไปจมไม่เข้าไปจ้องนะตอนนั้นก็คือการเดินทางสายกลางได้ต่อไปเรื่อยๆนะดังนั้นการเดินทางสายกลางเป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะแล้วก็มาบอกสอนต่อพวกเรานะในโอกาสนะวันวิสาขะนะที่จะมาที่ถึงในวันนี้นะเมื่อ2 6 0พปีพระพุทธเจ้าท่านค้นพบความจริงนะค้นพบอริย ส, สัจสี่แล้วก็สามารถเป็นพเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เมื่อท่านค้นพบความจริง ที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของท่านเองนั่นแหละนะเราเป็นผู้ที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้านะเป็นสาวกของพุทธองค์เราก็พยายามเดินตามรอยพุทธองค์ในการเดินทางสายกลางค้นพบความจริงที่มีอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละนะให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งนึกยาไมไปเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีเรา ในกายนี้ไม่มีเราในใจนี้นะมมีแต่กายกับใจมีแต่รูปกับนามมีแต่ท่า4 5ันมีแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีใครบังคับได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองนะถ้าเราเข้าใจความจริงเช่นนี้นะเราจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พวกเราได้พยายามทาความเพียร น, นะ เป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธองค์เนาะถือว่าเราได้ทําเต็มที่ในชาตินี้ในวันนี้ในขณะ น, นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะถือว่าวันวิสาขะวันนี้ก็ให้พวกเราได้ปฏิบัติบูบชาพระพุทธองค์นะหรือว่าวันในไนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธองค์พพระุทธเจ้าหรือบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามทําความรู้จักตนเองให้มากที่สุดนะ ขอให้พวกเราทุกคนได้ประสปประบพบเห็นกับศัสรธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิด